เมื่อกี้เราก็สวดมงคลสูตรมงคลสูตรเนี่ยถ้าใครทําตามเนี่ยชีวิตจะมีความสุขเริ่มตั้งแต่ไม่คบคนพานแต่ถ้าเราไปอยู่ในหมู่ที่มิจฉาทิฏฐิสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อการปฏิบัติจิตเราจะตกไปด้วยเพราะจะมีเรื่องมากมีเรื่องทะเลาะบบาแวงกันมีความเห็นแตกต่างกันอย่างผู้ญาติโยมถือว่าโชคดีได้มาวัดป่าสุกโตมาเจอสิ่งแวดล้อมที่ดี กาลยามิปธที่ดีแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ดีเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครูบาอาจารย์ก็เริ่มเดินทางกันมาอาจารย์ธงศิลอาจารย์สมใจและหลายท่านก็จะทยอ ย, ยกันมาให้ความรู้พวกญาติโยมแต่วันนี้ธรรมมาคิดว่าจะพูดธรรมะแบบสบายๆเราะจะไม่พูดเรื่องหลุดพ้นเราพูดเรื่องแบบเบาๆ เ, เพราะว่ายุคพวกโยมยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติทุกสิ่งเริ่มต้นจากการคิดดีเพราะคิดดีเนี่ยเราถึงได้มาปฏิบัติธรรมได้มบวชได้มาเรียนธรรมะ ถ้าเราคิดไม่ดีเรามาไม่ได้หรอกคิดดีพูดดีทําดีคบคนดีสู่สถานที่ดีอันนี้เป็นมงคลคือห้าดีจําง่ายพรุ่งนี้วัดเราก็จะมีการบวชนาคห้ารูปมีญาติธรรมมาปฏิบัติธรรมพรุ่งนี้บรรยากาศที่ของวัดจะคึกคักจะคนจะเยอะกว่า น, นี้การบวชนาค ก, ก็เหมือนกับความดีต่อควรมดีเพราะนาคคนนึงสามารถดึงญาติโยมวัดได้มากมายเลย พอนักจะ ม, มีพ่อแม่มีเพื่อนมีญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนของเพื่อนอะไรต่อไปอีกแหละ บ, บางทีพอรู้ข่าวก็ไปเยี่ยมเยือนมาร่วมงานจากคนที่ไม่เคยเข้าวัดก็ได้มาวัดเอ้วฟังธรรมบางคนก็ซับซึ้งในบรรยากาศของวัดติตใจวหลังก็มาไบ่อยๆก็มีอันนี้เขาเรียกว่าดีต่อดีหลวงพ่อเขียนให้พูดบ่อยดีต่อดีแต่ถ้าเราไปกินเหล้าไปดูบุหรี่ไปทําอะไรที่เล่นการพนาน ไปเที่ยวสถานเรื่องลมหรือไปทะเลาะบ่าแววงอันนี้ชั่วต่อชั่วมันไปคนละทางดีต่อดีก็คือการทำประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็ทำเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นบุคกุศลตรงข้ามกับทำไม่ดีทำไม่ดีเนี่ยเป็นอกุศลทำแล้วตัวเองเดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนด้วยันนี้เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันการคิดดีจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการทำความดีทุกชนิด มีหลวงพ่ออยู่คนหนึ่งหลวงพ่อรูปนี้ท่านอยู่จังหวัดอุดรตลอดชีวิตของท่านเนี่ยท่านไม่อยู่ความทุกข์เลยท่านบอกโลกในแง่ดีตลอดหลวงพ่อรูปนี้ชาวบ้านเรียกฉายาท่านจนติดปากว่าหลวงพ่อดีนอเนาะเวลาท่านเจอเรื่องอะไรท่านก็จะบอกว่าดีเนาะดีเนาะคือก็คือดีแหละเรื่องอะไรก็ดีหมดท่านไม่มองเป็นเรื่องอร้าย มีอยู่ครั้งหนึ่งลูกศิษย์ท่านนิมนต์ไปฉันเพนแล้วรถเสียจึงมาช้าหลวงพ่อท่านก็รอต้องนานเห็นลูกศิษย์ยังไม่มาทีคิดว่าวันนี้คงไม่ได้ไปกินนิมนต์แล้วแหละจึงนําอาหารที่บิณฑบาตมาฉันท่านก็บอกว่าฉันอาหารเราเองก็ดีเนาะฉันไปได้ไม่กี่คําลูกศิษย์ก็มาถึง แล้วก็ช่วยหลว ง, งพ่อรีบไปเพราะที่ที่บ้านอยู่ไกลพอมควรหลวงพ่อท่านก็หยุดฉันแล้วท่านก็ลำพึงลำพันว่าก็ดีเนาะไปฉันบ้านงานก็ดีท่านขึ้รถไปขึ้นรถ ไ, ไปสักพักหนึ่งรถคันนี้ก็ไปดับกลางทางอีกคนขับก็ลงไปซ่อมหลวงพ่อ ท่านก็บอกว่าก็ดีเนาะจะได้ชมอยู่ข้างทางท่านมองอะไรก็ดีหมดคนขับซ่อมต้องนานรถก็ยังไม่ติดจึงมาวานหลวงพ่อช่วยเข็นตอนนั้นหลวงพ่ออยุ่มากแล้วหลวงพ่อก็ลงมาช่วยเข็นนะหลวงพ่ อ, อ ก, ก็บอกก็ดีเนาะจะได้ออกกําลังกายก็เข็นจนติดอะ่ะคันถึงบ้านงานก็เลยเวลาฉันเพลงพ่อโมดสสเวลาก็เลือกซ่อมรถหลวงพ่อก็เลยอดฉัน ฉันช้าก็ได้ไม่กี่คำมาถึงบ้านงานเจ้าภาพก็นิมนต์ให้ขึ้นทำมาศเพื่อแสดงธรรมทันทีหลวงพ่อบอกก็ดีเนาะมาถึงได้ทําหน้าที่ทันทีหลวงพ่อขึ้นไปแสดงธรรมให้ญาติโยมฟังกันระหว่างแสดงธรรมลูกศิษย์เป็นห่ว ง, งหลวงพ่อรีบไปชงกาแฟมาถวายด้วยความรีบร้อนจึงมาหยิบกระปุกเกลือใส่แทนน้าตาลเพราะสีเป็นขาวเหมือนกันวาง ใ, ใกล้ๆกันหลวงพ่อฉันไป ฉันไปได้หลวงพ่อก็ลำพึงในใจว่าก็ดีเนาะฉันกาแฟวหวานๆมามากแล้วแล้วท่านฉันไปครึ่งแก้วก็วางแก้วไว้ลูกศิษย์เห็นหลวงพ่อฉันเหลือหลวงพ่อได้ไปเกจิอาจารย์ชื่อดังถ้าของที่เหลือลูกศิษย์จะมาทานว่าถือว่าเป็นมงคลจึงมาขอหลวงพ่อเพื่อทานต่อทานเข้าไปได้คาเดียวแหละพวดพ้นพวดออกมาเลยบอกเค็มเคมา ห, หลวงพ่อฉันก็ไม่ได้ยังไง หลวงพ่อก็ยิ้มยิ้มไม่รู้ว่าอะไรหลังจากหลังจากนั้นผ่านไปไม่นานก็เกิดเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งคือมีโจรมาปล้นหลวงพ่อคุณหลวงพ่อดีนอเนี่ยเป็นพระชื่อดังท่านสร้างพระเครื่องด้วยแล้วก็เป็นเป็นคล้ายๆเป็นเจ้าขุนด้วยญาติโยกมก็ถวายละของเครื่องไทยทานเยอะโจรก็มีความสุขว่าหลวงพ่อรวยจึงวางแผนมาปล้น อหึระหว่างที่หลวงพ่อกำลังสวดมนต์อยู่โจรก็ถือปืนขึ้นมาอดีตก็พูดจาคมขู่เลยว่ามีของมีข้าวแหลเอามาให้หมดนี่คือการป้นหลวงพ่อก็ไม่ได้ตกใจกลัวโจรเลยยิ้มยิ้มแล้วก็บอกก็ดีเนาะเองป้นก็ดีโจรมันก็สงสัยมันไม่เคยเจอคนแบบนี้เพราะว่าส่วนมากแล้วมีแต่คนกลัวตัวสั่นไป ห, หมดไม่เคยมีใครมายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วมาบอกป้นว่าดี ก็ได้ถามหลวงพ่อป้นมาป้นทาไมดีเนาะดีได้ไงหลวงพ่อก็บอกว่าค่าเนี่ยดูแลทรัพย์สมบัติมานานแล้วต้องมาเฝ้าจนเสียเวลาเอ็งเอาไปก็ดีค่าจะได้สบายไม่ต้องมาคอยรางเฝ้าอีกเพราะนั้นเองป้นไปก็ดีเนาะโจมันก็บอกค่าเนี่ยไม่ได้แค่ป้นเ่นั้นจะฆ่าหลวงพ่อด้วยเพราะว่าต้องฆ่าปิดปากเดี๋ยวหลวงพอ่อยา บ, บอกตารวจ ข้าก็โดนจับหลวงพ่อก็บอกว่าข้าก็ดีเนาะโจรมันก็สงสัยข่าแล้วจะดีได้ไงหลวงพ่อก็บอกว่าข่าเนี่ยแก่มากแล้วต้องดูแลสังขารซึ่งเสื่อมโทรมแก่ลงทุกวันทุกวันเองข่าก็ดีแค่ได้สบายโจรฟังดังนั้นก็ใจอ่อนจึงบอกให้ว่าไม่ฆ่าก็ได้ถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อบอกไม่ฆ่าก็ดีเนาะ โจมมันก็ถามเลยเอ๊ะฆ่าก็ดีไม่ฆ่าดีหลวงพ่อจะเอาไงกันแน่หลวงพอดีเนาะก็บอกว่าถ้าเองฆ่าฆ่าเนี่ยตำรวจก็ต้องตามจับเองหรือไม่ก็ต้องวิสามันฆาตกรรมเองแถมเองตายไปต้องลงนรกอีกเพราะทากรรมเวทําเบี้ร้อยมากไม่รู้จะได้ผุดได้เกิดหรือเปล่าเพราะฉะนเองไม่ฆ่าฆ่าอย่างดีโจมได้ฟังนั้นก็ได้คิดก็เลยไม่ปล้นเลยไม่ปล้ปนแล้วก็ไม่ฆ่า หลังจากนั้นไม่นานโจทคนนี้ก็โดนจับพอพ้นโทษออกมาก็มาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อดีเนาะมาบวชเป็นพระ อ, อยู่ร้องนานอันนี้ผลของการมองโลกในแง่ดีเหตุการณ์ได้ร้ายหลวงพ่อดีเนาะทำให้ไปดีหมดเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อไปบิณฑบาตแล้วพระเ อ, อเด็กเนี่ยกําลังทะเลาะกันแล้วเฟี้ยก็ถีนะมาโดนมาโดนหน้าหลวงพ่อ อยู่ช่วงระหว่างคิ้วก็เล่นเอาได้เลือดอ่ะเย็บหลายเข็มลูกศิษย์เห็นข้าวก็รีบมาทํำแผลให้หลวงพ่อแล้วก็ด่าพวกเด็กเสียหายด่าด้วยความโกรธหลวงพ่อก็บอกก็ดีเนาะที่มันไม่โดนตาแล้วก็มีอีกหลายเรื่องที่ว่าเหตุการณ์ได้ร้ายหลวงพ่อมองปรดีหมดเลยไปรถไฟไม่ทันท่านก็ว่าดีเนาะ พ, พอพอนั่งรถไฟทันท่านก็บอกก็ดีเนาะ จะได้กลับบ้านเราทั้นวิธีคิดแบบหลวงพ่อดีนอสเนี่ยสามารถใช้ได้อัตมาก็ไปใช้บ่อยสามารถคี่ค่าเหตุการณ์ต่างๆที่เราเนี่ยบางครั้งเหตุการณ์ต่างไม่ได้เป็นไปนดังใจเราหรอกบางครั้งอาจจะต้องรออะไรที่นานๆหรือนัดใครแล้วนัดใครไว้แล้วเนี่ยโดนเบี้ยวเขาไม่มาตามนัดอาจจะรถติดมั่งเจอเหตุการณ์อย่างอื่นมั่ง เพราะโดยธรรมชาติคนเราเนี่ยจะรักสุขเกียดทุกข์จะไปเสียสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบแต่สิ่งที่ชอบเนี่ยก็ยินดีด้วยฉนั้นของเรา จ, จรึงทุกข์ไงเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องรับทั้งสอย่าง่ทั้งสิ่งที่ชอบและไม่ชอบอาจจะผิดหวงังสมหวังค่าวเขากัาาออนไปเราอยู่โลกธรรมเนี่ยมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสื่เสื่อดินทาอันนี้เป็นสิ่งทุกคนต้องเผชิญไม่มีใครหลีกหนีพ้น อย่างตัวอมาเองวันนี้ก็ไป ก, ก็ใช้วิชาหลวงพ่อดีนอฟเป็นกานเพราะว่าเขานิมนต์นัมาเนี่ยไปไปบวชนาคแต่เช้าเลยบินถ่าดกับกาลังบินถ่ายกลับมาเนี่ยก็โทรบอกไปบวชนาคด่วนต้องรีบฉันอาหารเช้าพอรีบไปรีบไปแล้วไปถึงนู่นเน่ยอาจารย์ตรงมิงก็เหมือนกันสั่งพระที่วัดรีบไปกันด่วนเขาโทรบอกมีสองรูปอพอไปถึงอเหลือรูปเดียวละ แล้วก็ไม่เป็นไรเราคิดเราไปทําหน้าที่อพอไปไปล่อยรูปเดียวปุ๊บอา้าวนาคไม่มาอีกไปรอต้องนานไปมาคนคนเขาตกลงเวลากันไม่รู้เรื่องก็คิดว่าผมไม่ยีนาบวชแล้วแหละก็เลยก็เลยกลับวัดต่างคนต่างแยกย้ายกลับวัดพอกลับมาถึงวัดสักพักหนึ่งตอนนั้นก็สิบโมงสิบโมงกว่าแล้วเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นโทรมาด่วนเลยให้ไปบวชนาคอีกหนาคมาแล้ว อนก่าก็ตร ง, งรีบปุรีกุจอไปบวชสัไปอีกรอบหนึ่งแต่เราก็เราก็อารมณ์ดีนะเราก็ไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องที่ขัดใจอลไรหรอกใช้วิชาหลวงพ่อดีเนาะนี่แหละอะไรก็ดีเนาะดีเนาะก็ช่วยได้เพราะแต่ละวันเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมสิ่งต่างได้อาจจะไปเจอคนที่ขัดใจเราคนที่ว่าเราก็ได้นินทาเราก็ได้ หรือไปเจอคนที่ชอบเราเขาก็าชมเราไม่มีหลักประการไอ้คนที่ชอบเรามันก็ด่าเราวันไหนที่เราขัดใจหรือขัดผลประโยชน์อันโลกกระทำจึงมีขึ้นมีลงเอาแน่นอนอะไรไม่ได้วันนี้ชอบพรุ่งนี้อาจจะชังก็ได้การมองโลกในแง่งดีจริงช่วยได้ช่วยได้มากเลยแหละแต่ก็ต้องปฏิบัติธรรมด้วยนะเพราะมองโลกในแงด่ดีนีเนเน่เป็นคิดธรรมะ กาคิธรรมะที่ช่วยได้บางอย่างแต่ว่าบางอย่างช่วยไม่ได้อย่างถ้าเราโกรธเนี่ยถ้าเราเจริญสติถึงขั้นที่ว่าจิตตื่นรู้สึกตัวเนี่ยมันตัดเลยแต่ถ้าเราใช้วิชาคิดธรรมะเนี่ยจะหาหยที่ปวดเรืมานเอ๊ะคนเรานี้เป็นธาตุอย่ากโกรธอย่ากเกลียก็เลยแผ่ไม่ตาถึงกันและกันอะไรเงี้ยมันก็ใช้เวลานานหน่อยแต่โดยดีไซน์ของกิเลสนนมันจะปรุงแต่ง ถ้าเรายิ่งผักสายเนี่ยมันก็ไม่ไปบางคนเกลียดใครทักคนเนี่ยภาพคนที่เกลียดจะลอยมาอยู่เรื่อยละ่ะยิ่งคิดถึงเขามันก็มาบ่อยบางคนอาจใช้เวลาหลายเดือนก็ได้บางทีเป็นปีสิบปีก็มีจึงมีสำนวละสิบปีล้างแค้นก็ยังไม่สายเพราะมาจากมาจากความคิดปลุกแต่งนี่แหละไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะโยู่ภาพคิดปลุงแต่งสามารถฆ่าตัวตายก็ได้ ฆ่าคนอื่นก็ได้ผู้ทติดคุกติดตารางเนี่ยเพราะไม่เข้าใจความคิดปรุงแต่งบางทีคิดตัวเองบางเรื่องโดยสรุปและเรื่องที่คิดบางทีก็ไม่จริงนะเราคิดตัวเองหมดเลยบางทีเขาไม่ได้เป็นอย่างเราคิดบางคนเลิกกับแฟนเพราะเราคิดตัวเองก็มีบางครั้งพ่อแม่เนี่ยดีแต่ลูกร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งลูกก็จะไม่ค่อยจาหรอกพอลูกจะชินชาวความดีของพ่อแม่แต่ถ้าวันใด พ่อแม่ขัดใจลูกครั้งสองครั้งเนี่ยลูกจะจำไม่ลืมเลยแฟนก็เหมือนกันแฟนเนี่ยสมมุติดีกันทุกวันเนี่ยเอาหัวใจเนี่ยสมมุติเราขัดขัดใจเขาเนี่ยยิ่งถ้าเราละแวก็มีชู้ด้วยหรือละแวงมีกิ๊กหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็อยู่กันไม่ผาสุกแล้วเพราะว่าตัวเองก็คิดลบอีกฝ่ายก็คิดลบ เ, เล k k ็กๆก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวก็ทะเลาะเบาแหวงกันด่าทอกันได้ แต่ถ้าเราเข้าใจตัวนี้นะเหตุการณ์พวกนี้จะไม่เกิดขึ้นเลย mm hmm. เข้าคัวอยู่บนผาสุขเรื่องนิดหน่อยเราก็ให้อาภัยขอโทษขอโพยไปเพราะส่วนมากคนที่ทะเลาะกันเนี่ยฉันต้องเป็นฝ่ายถูกนะคนอื่นต้องเป็นฝ่ายผิดคือเอาความคิดตัวเองเป็นที่ตั้งเวลาเราถามใครว่าโกรธไหมว่าโลภไม้มหลงไมอะไเนี่ยเขาจะเขาจะตอบเบี่ยงประเด็นเลยเพราะว่าโดยธรรมชาติชีเลตเนี่ยมันจะหลอกตัวเองแล้วก็หลอกคนอื่น จะหาคนที่ผู้จริงยากบอกทุกไม้ว่าคนก็บอกตัวเองไม่ทุกหรอกแต่ที่จริงก็ทุกถ้าเรามาเรียนธรรมมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะเริ่มเห็นจิตตัวเองเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นจะรู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนโลภเป็นคนโกรธเป็นคนหลงเป็นคนเปรียบเทียบเป็นคนอิจฉาอารมณ์เหล่านี้ถ้าเราไม่สังเกตเราจะไม่เห็นเพราะเป็นอารมณ์ละเอียดเราจะมองคนอื่นเห็นได้อารมณ์เห็นแต่คนอื่นแหะคนอื่นก็ไม่ดีมั่งคนนี้เป็นอย่างงู้นคนนี้เป็นอย่างนี้แต่ตัวกิเลสเราจะไม่เห็นเลย เพราะเราก็ไปส่วนหนึ่งก็ปัญหาถึงต้องปฏิบัติธรรมแต่โดยมากเนี่ยคนจะไม่ยอมรับกิเลสตัวเองเราจะไปเห็นกิเลสเพื่อนเห็นกิเลสคนอื่นหมดแหละเพราะโดยธรรมชาติจิตมันจะส่งนอกตัวมันไม่ส่องเข้ามาในตัวเราไปเรียนธรรมะมาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เรารู้จักตัวเองถ้าเรารู้จักตัวเองปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราทำไม่ดีมันจะขึ้นมาเคยทําอะไรไว้เคยทํากรรมอะไรไว้มันก็ขึ้นมาโชว์ให้เราดูพอขึ้นมาโชว์เราดูเนี่ยเราก็เกิดศรัทธาขึ้นมา เพราะถาสิ่งเหล่านี้ไม่ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะไม่เชื่อว่าบุญมีบาปมีกรรมมีเพราะสิ่งเหล่านี้มันฝังอะไรฝังเข้าไปในจิตใต้สํานึกคล้ายอยู่อยู่ใต้จิตสํา น, นึกนานๆเนี่ยมันจะเป็นอุปนิสัยเลยนะดูสังเกตไหมว่าแต่ละคนนิสัยจะไม่เหมือนกันจะมีความแตกต่างกันมากเลยบางคนชอบเพลก็ชอบไม่เหมือนกันดูหนังก็ดูคนละสไตล์รถนิยงคนเราจะไม่เหมือนกันเพราะคนเราจะชอบไม่เหมือนกันนินสนนะะนนนนัย ก, ษษษก็แตกต่างกันความสามารถก็แตกต่างกัน บางคนเก่งด้านนี้แต่บางคนบางคนจะไม่เก่งเลยจะไปทําเก่งถนัดอีกด้านหนึ่งส่วนที่ส่วนที่ขาดมักจะอยู่กับเพื่อนแต่ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็สามารถสามัคคีกันสามารถใช้ความสามารถของเพื่อนเนี่ยให้เป็นประโยชน์ส่วนรวมได้เราจะไม่อิจฉากันอย่างอาตมาเนี่ยบางอย่างเราทําไม่เป็นพระบางคนเขาทาได้เราก็วานอช่วยทำหน่อยเขาก็ทําแล้วก็ทําได้ดีกว่าอาตมาด้วยอย่างบางอย่างอาตมาทํำเป็นคือเราทำไม่เป็น แล้วก็แทนจุดที่เขาไม่เป็นเวัดเราจึงสามารถพัฒนาได้แต่ถ้าเราอิจฉากันเองเอ้ยคนนี้เก่งกว่าเราอะไรเงี้ยมันไสม่มากอะไรบ้างที่นั่นก็จะมีความหาดสุขแล้วก็จะไม่พัฒนาด้วยเพราะว่ามีวิสัยทัศน์ที่แคบสังคมใดที่มีการอิจฉากันแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันที่นั่นจะมีความสุขเลยผิดกับสังคมที่รักกันแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่เห็นแก่ตัว เอาใครมีคามสามารถด้านใดเราก็มาชดเชยช่วยทําให้งานนั้นสําเร็จรุ่วงแต่ก็ต้องอาศัยอาศัยคิดดีเหมือนกันนะถ้าคิดไม่ดีมันก็ทําไม่ได้เหมือนกันแหละการคิดดีเนี่ยพอคิดดีเสร็จก็จะมาพูดดีพูดดีปุ๊บก็จะมาทําดีถ้าคนที่คิดไม่ดีปุ๊บเนีพูดออกมาก็พูดไม่ดีนะบางทีก็พูดคำหยาบบ้างพูดเผ้อเจอบ้างพูดเรื่องไร้าสาระบ้างเพราะว่ามันออกจากความคิดทั้งหมดแหละ คือคนเราคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นไงคนคิดดีก็จะมีสติกรองหน่อยเอ๊ะเรื่องนี้ควรพูดหรือเปล่าพูดแล้วทาร้ายน้ําใจใครไหมเพราะเกิดทําร้ายน้ําใจเราก็ต้องถอนน้ำใจเขาเราก็จะไม่ไม่พูดให้เกียรติกันแล้วก็ไม่ทําร้ายจิตใจคนอื่นแต่คนคิดลึกๆพูดอะไรก็พูดเนี่ยบางทีก็คําพูด่ทิ่มแทงเพื่อนทิ่มแทงสามีภรรยาทําให้เขาเนี่ยเป็นทุกข์ได้เราจะเข้าใจาเรื่องนี้ได้ก็ต้องเรียนธรรมะ มาปฏิบัติธรรมนั่นแหละมาสร้างความรู้สึกตัวถ้าเราไม่สร้างตัวนี้เราก็อยู่ใต้อํานาจความคิดปรุงแต่งความคิดคิดเรื่องอะไรเราก็ไม่ทานมันถ้าเราสร้างความรู้สึกตัวเรื่อยเด้อความคิดทุกความคิดมันมาแล้วมันก็ไปไม่มีเรื่องไหนจริงเลยเราทําตามมันก็ได้ไม่ทําตามมันก็ได้แต่ถ้าเราไม่ไม่ทานมันนะทุกเรื่องมันมันมันก็ถือเรื่องจริงัแหละมันอยากให้ไปไหนมันก็ไป อยากให้ไปซื้ออะไรกินมันก็ไปเดี๋ยวนั้นเลยให้ไปทำอะไรมันก็ทําตามมันบอกให้ไปนอนก็นอนอยากให้ทําอะไรก็ทําหมดแหละอย่างพวกโยบดิบัตธรรมเนี่ยสิ่งแรกที่จะเผชิญเลยคือความง่วงความง่วงแบบสุดๆแต่ถ้าผ่านคว์มง่วงไปได้จิตก็จะตื่นตัวปฏิบัติธรรมก็สนุกก็ต้องฝืนหน่อยอันดับแรกเพราะความคิดมันไม่ชอบการเคลื่อนมือการเดินจงกรมเนี่ยมันทําให้คิดไม่ถนัด เพราะว่าเดินทีความคิดมันจะทํางานมาตลอดถ้าเราเราเหยียบทีหรือเดินจนยกมือทีเนี่ยความคิดมันทํางานไม่ต่อดเนื่องมันสะดุดมั่งมันก็จะแกะมันก็จะหาเรื่องให้ออกจากการปฏิบัติฉะนั้นคนปฏิบัติจึงจึงดูเหมือนว่าเคลื่อนมือเนี่ยง่ายแจริงไม่ง่ายนะถ้าโยไม่มีนิสยัยหรือกลัวลำบากท้อทแท้เนี่ยมันก็เคลื่อนมือไม่ได้หรอกเดี๋ยวความคิดก็บอกให้เลิกคิดถึงบ้านบ้าง คิดถึงหน้าคนที่เราชอบบ้างคิดถึงหน้าคนที่เราเกลียดบ้างหรือบ้างก็ห่วงเรื่องนู้นห่วงเรื่องนี้อะไรไปเรื่อยเปื่อยแต่ถ้าเรามาเจิตติตั้งใจถือว่ามาอยู่เจ็ดวันเราก็มาเราก็ดีฐานจิตว่าเราจะทําดีที่สุดเท่าที่เราจะทาได้อันเนี้ยจะทำเราอยู่แบบมีความสุขปฏิบัติทําก็สนุกไม่ซีเรียสจะเล่านิทานสนุกสนุกขยมฟังดีกว่าเดี๋ยวพูดเรื่องซีเรียสมากไม่ดีมีนิทานเรื่องหนึ่งนิฐานเรื่องนี้ มีคุณนายอยู่คนหนึ่งชื่อว่าคุณนายโตคุณนายโตเนี่ยเป็นคนใจบุูรุนทานแต่แกเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนที่ว่าแบบแกเป็นเมียนาตำรวจเหมันแกเจ้าในใจตัวเองคือใครขัดใจไม่ได้แกชอบขำชมคุณนายโตสนิกับพระครูอยู่วัดหนึ่งปัญหาวันเกิดลูกแกแกก็นิมนต์มาฉันพัดอาหารเพที่บ้านก็คุยกับพระครูถูกคอดีหลังจากพระครูฉันอาหารเสร็จแล้ว พระสงฆ์ก็ให้พรคุณนายโตคุณนายโตก็ตั้งใจรับพรพระครูก็ให้พรยัาวลีวหาปูราปลิปูเรนตีสากะลังเอวะเมวะอิโตทินางเปตานางอุปการติคุณนายโตมโหเลยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเอ๊ะพระครูเมื่อกี้ยังเรียกชั้นคุณนายอยู่ดีตอนนี้มปเรียกอิโตได้ยังไงเพราะว่าพระครูเนี่ยเอื่อน ทำให้พรง า, านไปหน่อยคุณนายโตเป็นคนเจ้าเจอารมณ์อยู่แล้วมีข้อสุ่มว่าพระครูไม่ให้เกียรติเลยทำนี้ไม่ถูกก็เล ย, เลย เ, ลยเลยเนี่ยความขันที่กวดกําลังกวดน้าทิ้งเลยแล้วก็เดินหนีไปเลยโกรธพระครูมากพระครูอธิบายไงแกก็ไม่ฟังเพราะคุณนายโตไม่รู้เรื่องพิธีต่อของศาสนาแกชอบทำ บ, บุญจริงแต่ก็ไม่รู้เรื่องพวก น, นี้แล้วตั้งนั้นมาแกก็ไม่ได้มงคหรือใส่บาทให้พระกวันอีกเลยขั้นต่อมา ถึงวัดเกิดก็อีกคุณนายโตก็ไปนิมนต์เจ้าคุณที่ที่อยู่วัดแห่งหนึ่งแต่ว่าไกลพอสมควรมาถึงก็คุยกับคุยกับเจ้าคุณเจ้าคุณก็ถามว่าเอ๊ะทําไมคุณนายไม่นิมนต์พระครูที่อยู่ใกล้ๆอ่ะคุณนายกระไล่ฟางบอกพระครูไม่ไหวเลยเมื่อก่อนก่อนที่จะฉันอาหารก็เรียกฉันคุณนายคุณนายโตพอพอฉันเสร็จเรียกอีโตใช้ไม่ได้เลยเจ้าคุณยังจึงรู้ว่าอ๋อ อย่างนี้ได้เองเข้าใจอะไรเปอะไรคัดถึงเวลาให้พรเจ้าคุณก็ยะาวารีวหาภูลาปริปูเลนตีสาขะลังเอวะเมวะคุณนายโตทินางเปตานางอุปกรารบติคุณนายก็โหดดีใจบอกมะนี่มันต้องอย่างนี้เนี่ยมันต้องให้ได้อย่างนี้เรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ว่าคนเราถ้ารู้อะไรไม่จริงแล้วอย่างคุณายโตเนี่ยจะมีอัตตายเยอะ ว่าต้องไปอย่างนี้นะให้ได้แรงใจ ถ, ถ้าขัดใจปุ๊บเหตุการณ์ก็จะเปลี่ยนมีอีกเรื่องหนึ่งคล้ายๆกันเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ชนบทแห่งหนึ่งมีบุบ้านแห่งหนึ่งบ่บ้านนี้มีผู้ใหญ่บ้านชื่อว่าโกวันหนึ่งผู้ใหญ่บ้านก็ทำบุญทำบุญโดยนิมนต์พระมาฉันพัฒหารเพร น, นี่แหละแล้วก็มีอาแปะอาแปะที่เป็นเพื่อนบ้านก็มาร่วมด้วยอาแปะนี่เป็นคนจีน จะรู้เรื่องคุณศาสนาปูปูปาหลังจากพระฉันอาหารเสร็จแล้วก็ถึงเวลาให้พรพระก็ก็ให้พรว่าอายุวัฒนะโกวัฒนาวัะโกสรวัฒะโกวยศวัฒะโกอภารวัะโกวนนวะโกสุขวัะโกโหตุสภาาเอาแปะฟังอยู่อาแปะนี่โอ้โหตื้นตันมากเลยโอ้โหเดี๋ยวนี้ พาให้พรขนาดนี้เจออ่ะให้พรกโกรทุกคําเลยมีโกทุกคําเลยกรทราบซึ้งมากอย่างนี้เราต้องนิมนต์พาชุดนี้มามาฉานเพลิบ้านเราบ้างจะได้เป็นสิมงคลจะได้เห่งเหยิ่งขึ้นไปหลังจากประนั้นเลิกแล้วอาแปะก็ให้คนเป็นนิมนต์พาชุดนี้แหละบอกชุดอื่นไม่เอาเด็ดขาด น, นะต้องเอาชุดนี้ชะเท่านั้น แล้ววันที่อาแปะรอคอยก็มาถึงวันนั้นอาแปะยิ้มล้มื่นตอนรับแขกเรือด้วยความสุขเพราะคิดว่าเดี๋ยวคงได้รับพรที่ตัวเองปรารถนาค mm hmm. ั้นถึงเวลาพระฉันอาหารเสร็จแล้วให้พร mm hmm. พระก็ให้เหมือนเหมือนเหมือนครั้งนั้นแหละอายุวัรนะโกธนวัฒะโกอาแปะฟังแล้วรู้สึกผิดหวังมากเศร้าใจคิดว่าพระคงจาชื่อผิด ก็เลยบอกว่าว่าชื่อว่าแปะนะแปะนะไม่ใช่ชื่อโกพระที่ไปร่วมสวดมนต์ด้วยอ๋อจึงรู้ว่าอะไรไปอะไรจึงสกิดพระหัวหน้าให้ขึ้นบทให้เปลี่ยนใหม่ก็เลยเปลี่ยนเป็นอายุวัตตะแปะธาราวัตตะแปะสิริวัตตะแปะยส า, าวัตตะแปะสุขวัตตะแปะเลื่อยไปจนอแปะก็มีความสูขแลตอนนี้มีความสื่อว่าได้พรที่สมบัติทั้งหนา เรื่องนี้ก็บิวทาหอนนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยบางค้า้งมันก็ไม่ได้เป็นไปตามใจเราปัญหาทุกเรื่องหรอกถ้าเราตั้งใจไว้ผิด ต, ต้นต้นอย่างทั้งอะแปะทั้งคุณนายโตเนี่ยจะคล้ายกันมีแง่คิดบางทีบางเรื่องไม่ตรงกับใจเราแล้วเราก็อารมณ์เสียนั้นเราก็ต้องเข้าใจโลกธรรมอะไรเกิดขึ้นกับเราก็าไม่สําคัญเท่ากับเราจะวางกับใจกับสิ่งนั้นอย่างไร บางสิ่งอาจจะร้ายโดยที่เราก็ไม่ควบคุมไม่ได้อาจจะถึงข่าวเข้อต้องสูญเสียคนรักสูญเสียทรสมบัติต่างๆเนี่ยอันนี้ไม่มีหลักาการเกิดขึ้นได้ทุกคนหรืออาจจะโชคดีก็ได้บาค่อยจจะถูกหวยโดยโดยไม่คาดหวังก็ได้หรือประสบอุบัติเหตุโดยไม่คาดฝันก็ได้ชีวิตคนเราตั้งอยู่หรือค ว, วามไม่เที่ยงผู้ทิ่เปข่าวด้านหนึ่งตามนั่งหนังสือพิมพ์เนี่ยก็ไม่มีใครรู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับตนเอง สิ่งที่เราทําได้คือวางใจให้เป็นยอมรับความจริงที่จะเกิดขึ้นเพราะการที่เรายอมรับความจริงเนี่ยทุกเราก็ลดไปหลายเปอร์เซนต์แล้วไม่ต้องถึงขั้นมรรลุธรรมยอมรับความจริงของโลกเอาโลกไปอย่างนี้นะเราต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาพัดภาคจากของรักของชอบใจเราอาจจะต้องเจอกับสิ่งที่ปัจนาสมปัจนะบางครั้งอาจจะไม่สมปัถนาแล้วเราก็มีกรรมเป็นของตัวเองทำความดีได้ดีทํากรรมชั่วได้ชั่ว เพราะกรรมนันก็ไปเหตุพวกพวกโยมน่ยมีฐานะแตกต่างกันหน้าตาแตกต่างกันเพราะเราสร้างกรรมไว้เช้งนั้นเพราะเราทําทุกสิ่งอย่างด้วยความเคยชินทุกวันจนป็นิสัยเนี่ยพอทามากมันก็เป็นกรรมแต่ถ้ า, าทํากรรมดีไว้เยอะกรรมก็ปรุงแต่งให้เรามีความสุขเจอแต่คนดีๆแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีนิสัยไม่ดีเกเรแล้วกรรมมันก็บีบให้เราเนี่ยไปเจอคนเกเรคล้ายกันคือไปอยู่พบภูมิเดียวกันคนขี้เมาก็ไปอยู่พวกขี้เมาพวกขี้ยาเขอยู่พวกขี้ยา พวกชอบคุยธรรมะกิเลสไอ้กรรมมันก็หรือธาตุเนี่ยมันก็ดึงให้ไปหาคนธรรมะธรรมโมด้วยกันคือว่าคนเราครบกันได้ธาตุเราสังเกตได้เลยว่าเพื่อนเราเป็นคนยังไงเราก็เป็นคนแบบนั้นแหละมันบางคนชอบอยู่คนเดียวก็จะไม่อยชอบคบใครบางคนก็ชอบชอบคบคนเยอะอยู่คนเดียวไม่ได้ว้าเวตั้งแต่ละคนจะมีทิศทางแตกต่างกันพวกเราสามารถเลือกหรือเปลี่ยนได้ตามใจชอบ อันนี้เป็นกรรมใครกรรมมันนิสัยใครนิสัยบ้านวัฒนาใครวัฒนามันเป็นเรื่องส่วนตัวนี้อาุมาพยายามชี้ให้พวกโยมเห็นไงว่าแต่ละคนเนี่ยพวกนี้มันทำทำไปบ่อยมันจะมีอิทธิพลต่อครอบงำจิตใจเราหรือคนรอบข้างเราอพรนิสัยคนเราจึงไม่เหมือนกันเพราะแบบนี้เองเพราะเพราะทําจนชินจนเป็นนิสัยแต่เราเปลี่ยนได้นะฮะเราต้องฝืนระดับแรกจะสร้างนิสัยใหม่เพื่อลบรางนิสัยเก่าเนี่ยต้องฝืนะฮะแต่รู้จักก่อนถ้าไม่รู้จักก็เปลี่ยนไม่ได้ว่าเราเป็นคนยังไง รู้จักได้แล้วก็ต้องเปิดใจอะ่ะเปิดใจเปิดใจเปิดใจรับการเรียนรู้เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตก็เปลี่ยนก็มีมงคลที่เราต้องใช้คือคิดดีพูดดีทําดีคบคนดีสูตรฐานที่ดีอันนี้เป็นมงคลอาตมาเห็นว่าพูดมาก็สมควรกับเวลาสุดท้าย น, นีย้ขอญาติธรรมทุกท่านมีความสุขความเจริญธรรมทุกคนชีวิตไร ถ, ถูกต้องขอให้สมปทานาก็ขอยุติแค่นี้